พระธรรมเตสนาพปืนเมือง <c oughs> เรื่องหัวใจเพศภูกตีหนึ่งเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูป ร, ริยธรรมหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นะโมตัาาาตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธั ấ สะ ที่ขาจากคารตตัรติที่มังธัมมาเตสนังสัทธาเจตาวเนวิหารต่อปเสนติโกสารเจวาอัญญาตารันจาปุริสังอารพะกเที สันธาอันวาสัมปัญโยพระพุทธเจ้าบีหารันโตพงยังอยู่สํารานเจตาวาเนในเจตาวนาอารามอารพักพระก่อพาโรปาเสตติโกสลันเจวะซึ่งพญญาปาเสนติโกสาลาราจาอัญญาตารันจาปุริสังกัมตั้งใจฟูหนึ่งกัเทสิก สิงสัมแดงไวอมังธรรมมาเตสะนังยังพระธรรมมาเทสนาอันนิวาติขาจาัการโตติดดังนี้เป็นเกา้าหอหนุ่มเทาหญิงใายสันท่าลหลมวนหมูอันมานั่งอยู่ฟังธรรมจุงดาจำแต่ตนติดสืบสนตัวไปบัดนี้แด่เตอ ขีราดังเราได้รู้มาหนีใสอันว่าเต้าไทยโกศาลาราชาเป็นพญาน ย, ยดยาวาพาแผ่นดาวสาวัทถีขีจางดีเผื่อแก้วตัวเลิศแล้วจือปุนดาริกปลายสันมีปาริวานหลยแหวังแวดแห่ตัวไป เลียเพียงใจจูดาวตามริเต้าเดิมมากยเลียปราเบื้องใหญ่ไปจ้าใจตามต่างยังมีนางผู้หนึ่งเล่าพงหนุ่มเนาว้ยยาถ้ารงศพาวลาวัา น, นาอาทิตย์เดือคนวิบากจนไหลตอนได้เป็นกูซ้อนนอนในกับใจเข็นใจอยากไร โยตีไกตังเตียวนางตาเขียวนอนเอาไข่หันเจ้าปุรีวาทารงสรีผาเสดยะสาเลิดสันใดจจิงขึ้นไปสั้นสองตัดนาปองเพื่อนตนยามรีป้นมาเต้าแห่เต้าเจ้าพดมานางโซภาหน่อยหนอสัตตาพอบาดเตียวแล้วรีเปลวลี่สนอยู่ในบนเกหา เจ้าปาราธิราจัตตาสวาสดเล่งหันยังสีสุพรรณน้อย อ, อ่อนอันรีบซ่อนยังตนพระจันทร์บนฟากฟ้าลบเข้าฟ้าหายตาอุ ป, ปมานี่เล่าดังนางนอนเน o นารีได้ลบหนีไว้ว่องจากหน้าป่องหายไป เจ้าห่อใจยอดใหญ่มีใจไฟปีญาย้อนตันหาตัวย่าเผาข้านาหัวใจเอตาใสมืดบอดม่แจ้งสอดหันหันจิ้งเรร้นรีภาวปอกสู่ดาวผางกาแล้วมีอาถญาปงขาดเืออามาเตียมใจว่ามึงจุงไปอย่าจ้า ทำนางนอลาโสภาว่ามีสามิการ่วมข้างเรือเปลววังเดียวได้แล้วรีบพันภัยมาอู่ือเรารูบัดเดียว <c oughs> อามาเรียวรีพาวลงจากดาวหอกคำยกตินต่ไวบว่องไปรอทองเกหาแห่งนางโซภาอ่อนน้อย แล้วออก่าวถอยจะถามรู้ว่านางงามกินกู่มีกู่อยู่แปงพันจริง ภ, ยภยัยพันไหวนามาไว้เจ้าฝ่าตามีเจ้าปุริยอดใหญ่ตันหาไม่เผาล้นก็บอกคนแก่นใจว่ามึงจุงรีบซาไสาไปปันบอกผัวมันอย่าจ้า มาหาเราเจ้าฟ้าเร็วไว้คนเตรียมใจผู้ะลาดก็ลาภาสาจะปันไปไขปันเก่าอื้อผัวนา่งรูตามีว่าเจ้าปูรินยศใหญ่อาจยาใสปันมายฮือตัวใจนี่เล่าไปไวเต้าเจ้าบัดเดียวกันบ่อเร็วรีบพาวอาจยาเต้าเอาตาย ส่วนว่าใจอยากใกลฟังคนแกว่นใจไขปัน่นอกเป็นควันสะตอนว่าวูร้อนตั้งทิ้งก่อขาดิ้งกุดใดว่าเตียงมีภยยัยใหญ่มาปาน <c oughs> เตียงมองผ่านโซกาหรือตั้นคาฟันแตงย่อนมีเมียแป้งหนุ่มเนาเป็นเหตุเก่านำมาโบราณจากเก่ากี้หากแบนตี้ดี ว่ามีเมียงามดีหนุ่มเนาบอใจเบียตัวเก่าคนเดียวกำจะเหลวนี่ไสคือหากมาได้ตนกูปูนอินดูตัวเก่ามีเมียหนุ่มเนาขิ่งบางเจ้าหออฟางยดใหญ่เตียงมักไฟเพืงใจกันคนิ้งในเกิดแล้วกออกาดแก่อไก่กา จากแกหาที่อยู่ขึ้นไปโู่หอคคำย่อมือตั้มต่างเกาไว้เต่าเจ้าปุรีก็มีหันเลนะส่วนผญาญโกสลราชก็โอกาสปันไม่บอกแกใจขี้ไรว่ามึงจุงมาอยู่ไกลตนกูคือมาจูอยู่เฝ้าทุกคำเจ้าขึ้นวัน ในหอจันภาษาตยาหือขาดยามได้ใจเข็นใจขับไม่ว่าคาบไทยอนาถาหอโยเกหาตัวเก่าถ้าวาัยสวยแก่เจ้าตำมีเจ้าปุริตานเก่า ว, ว่าเราเป็นเต้าผาปรา บ่อผาธานาใครใดยังสวยน้อยใหญ่อันใดเต้าหมายใจใครภาคยกมึงจากอานาถามึงจุงมาอยู่ใกล้เราจักใส่ตกปันยังลังวันลายลากเออปนจากตั้งผ่านกันมีราจาองการเมียนจอเต้าเจ้ายอดราจาก็ยืนภาลากับดาบอาวุธภาพสกสาน <c oughs> แก่ใจผ่านอยากไร้ืฮเฝ้าอยู่ไกลบัดเดียวย้อนกึดเหลียวคนิ่งขวาดว่ากันพาม า, ยามดยำใดจะเกี่ยวไวบ้บอกจ่าเอามันไปคาสับปันแล้วเอาเมียมันนั่นเหล่ามาอยู่เฝ้าหอนหนเตียงสมใจไปห้อยบอกกัดก้อยไก่กา <c oughs> ส่วนใจอาณาไาย อ, าาอยากไกรร่อนเอาไม่เลือลายย้อนกว่าตายก้อยกาจริงบอ่อพระมาตสาศาตุกเวลาคำเจ้าอดอยู่เฝ้าเห็นกันหลายคืนวันมาไขต้าโอยศใหญ่ราชาพิจิาราณาสั้นสองบ่อหันจ้องหันไลยว่าตัวแห่งใจที่ไรจกมีตทษน้อยใหญ่อันใด ก่กาดิ่งในไปนานย้อนตันหากานำตางว่าควรจกวางตดใส่มันใดบำไวยจิงเรียกใจขี้ไรมาอยู่ไกลสับปันแล้วไขปันเก่าหือมันรู้ความใน ว่ามึงจุงไปรีเผาไปสู่ดาวนาตีจากปุรินี่สดนับได้หาโยด์เป็นไมายดอกข้ามุดไหลสะพูดอกบวัวมีอยู่หลายสี <c oughs> ตั้งดินดีกุลมากสีดังอรุณหากเป็นทาราจุงนำมาพ่อมพาตันเราอาบน้ำยมแรง กันสแสวงหาใดมารอดไข้ตันยามรังวันงามหลยแลเราจักแผ่ตกปันกันมาบอตันตามบอกเรือบอด้ดอกแลลดินตามอาจินเราเต้าจะกคือผัวข้าวใจไฟนำมึงไปํำคาคือมึงความนาเมื่อมอนแลนะ ส่วนว่าใจขี้ไร่ฟังเต้าไทยไขปันอกเป็นควันไม่มาดกนิ่งขวาดในใจว่าเราจักไปรีภาวต า, าตามาดยาเต้าปันหมายของตั้งหลายนั่นใสอยู่เมืองนาไกสะกรยินอาวอนหลายแหลจากใดแต่แดนใด เราเข็นใจกันอยากตกลำบากเครื่องขี่สิ ป, ป้ากุนดีน้อยใหญ่ก็บบ่ใดเฮียนมาสันได้จ้าจากักใดตามเต้าไทยปันไม้เราเตียงตายมวยหมอดบอยอดรอดยาวไปใจเข็นใจบ่จ้าไวเจ้าฟ้าเดือหัวไปเฮือนตัวรีพาวกันรอดดาวเกหา ก็ใครจากเก่าอเหือฟริญารุตามีแล้วใครว่าตีทำเราว่ามีห่อเข้าสังจาหรือมีโพชนาดาวยอันจากใจเตียวตั้งสะดิคิงบางตอบเล่าว่าพงตมเขาดีลียังบ่อสุขดีแหลกลมย้อนพงตมบัดเดียว ใจคนเที่ยวอยากใกลอดบ่อใดนานไปจริงเรียวไว้ซอไซได้น้ำบวยใหญ่งามเล่ามาตักเอาเข้าตม้มอันบ่อลมเป็นสารออกสถ า, านที่อยู่เปื่อไปสู่แดนไกลแล่นเรียวไว้จะใจตามตั้งไตพันพาย บอกเหมือนลายแต่สดใดหนึ่งโยชดเป็นผ้ามานเข้าเป็นสารเปียน้ำกอสุขพรมผ่ำงาดีใจเครื่องขี่หนุ่มเน่ากอแบ่งเข้าเป็นสองส่วนหนึ่งปองเอาไว้เปื่อเลี้ยงใสตัวมันส่วนหนึ่งปันยกยืนด้วยใจจืนใจบ้านแกค้คนผ่านอยากไรอันพงไตต่ตางมา แล้วไก่การีภาวไปรอดดาวนาตีเขายังมีเหลือข้างก่อสัตว์วางลงไปในวังใสแม่ใหญ่หมดเสียงไขว่บัดเดียวแล้วจะเลีอวเป่าร้องไปไขว่หองอาณาวะคอเทวดาบุญกว้างหนักอยู่สร้างสะกรคุดบินจรฝากฝ้าจุงฟังข้าไขจ้า <c oughs> เจปารานยศใหญ่มักไข่ใส่ตันดักรรมจริงขับจำคาน้อยผู้ตกถอยเครื่องกี่ว่าฮือหาดินดีคุ้นมากสีดังอรุณหากเป็นไม้ดอกคามุดลายบ่อน้อยดอกบัวซอยบ้านใสฮือนําไปถอยเตาด้วยรีพาเร็วพันเข้าข้าปันยกยืนด้วยใจจืนใจบาน แก่คนตกผ่านอยากไรผู้เตี้ยวไต่ันพายอานี่สรงลายเลือลากปันหนึ่งหากเป็นธาราคือแก่ปูปาา้าไหลซำในแม่น้ำนาตีอนีสทรงมีบ่อน้อยได้หนึ่งร้อยเป็นไมายข้าขอถวายตกตอดยังสวนยอดบุญตานมีผ้ามานเต่านี่เล่าแก่ตานเจ้าตั้งหลาย ขานี่หม่ใครได้ยังดอกไม้ดวงบ้านกับดินเจียงคานผ่าเสืบอโบหูเกิดแดนใดขอมีใจภายแพรคุณ น, นาแก่ตัวใจเอาของตั้งหลายทวนนามาฮือแก่ข้าคุ้นผ่านแดดเตอ เมื่อนั้นพญานาคจดใหญ่อยู่ปืนไตวังทานฟังเสียงสารร่ำถอยยินไฟหอยขุนนาทะแหลงกาญยาบอ่อจากับเป็ดนาเป็นคนมีตัวตนแก่เท่าแล้วแสงเขาไปถามว่าดูราใจร้ำต่างบ้านตั้นก่าวตันสังจา ใจอานะธาบอกเล่าเป็นดังเก่าไปหลังพญานากฟังแจ้งที่แสงเก่ากีกำไปว่าของแดนไก่สามสิ่งมีกานิ่งนาลำ เรจาจกนำมาคือบ่อท่าซื้อปันได้แก่ตนใจหนุ่มเน่าตามกำเล่าใครจาส่วนนาบุญหาลายแลตั้นจักแผ่ตกปันเป็นรางวันคนเท่าหรือบ่อปันเล่าสันใด ใจเข็นใจเก่าแก่ว่าจักปั่นเตียงแต่สัตจังพระยานักฟังที่แจ้งก่อซ้ำแสงจะามยังใจรำขี้ไรทวนคบไข่สามตีใจเครื่องขีนหนุ่มเดาก็ตอบเ่าสามคนว่าส่วนกุศลอันใหญ่จะคือเสียงไข่ตามคำเจ้าห่อคำหนากการาดรับถอยวาดปฏิญญา นำดินมาบ่อน้อยกับตั้งดอกซอยดวงบ้านฮือใจผ่านอยากไรสมใจไฟบัดเดียวก็มีหันแน่นาพระเจาปานจินเตซีส่วนพนญะยาโกสาลาราชก็คขดขวาดในใจว่าคนในโลกใต้บอกว่าน่อยใหญ่นิ่งใจ ย่อมมีมนหลายบ่อนยฮือสมไฟหอยคนิงในแม่นใจเขยนใจขี้ไรอันเราใจมันไปได้สมใจจู้สิ่งย้อนมนยิงเจียงคานกิจการเราเต้าจกคือคนเนาขอมันเอาดาฟันฟักฟาดฮือชีวิตขาดมรณา เอามียมันมารวมซ่อนอยู่ในบ่อนหอคําเตียงบ่อสมกำมักไฟคือบ่อได้ดังใจกันคัดดิ้งได้เบี้ยนจอเต่าเจ้าหยอดปราก็มีอาดญาปงขาดเธออามาเตรี้ยมใจฮับผาตูเบียงใจเสียงไข่เอาข้าแจไว้เนี่ยมันคือบ่อตันคำลาตนเจ้าฟ้าผู้บาน ก็คือ น, นายนักการแกว่นใจฮับพตุไว้จูปายบอหือใจหนุ่มเนาใดพดเข้าเมืองมาส่วนใจอนาธาอยากไกล้ร้อนเอาไม่เดือลายรีบพันภายปิกปอกอ้ายน่าออกขึ้นมาตันเวลาเต้าไทยอาจญาใสตกปัน อากภายพันรีบพาวเข้าสู่ดาวไปในก่อเข้าไปบ่ได้เหตุพาตูน้อยใหญ่หนานาบ่ถึงเวลายามคำฮับเสียงซ้ำจู่ไป <c oughs> เป็นตัวกลายทางต้องจริงเอิญร้องกำไปว่าจุงเร็วไว้อย่าจ้าใครพาตูวื้าขาปัดเิียวขาจากเร็วรีบพาวไปไวเต้าภูมี าวายของดีคุณมากตามเต้าหากจำไปคนไปไหนหนุ่มเทาอันอยู่เฝ้าประตูเขาฟังดูแจ้งที่บอมีตีสงสัยก็จริงใครตอบถอยว่าเต้าหอนยอดซอยบุญเรื่องเฮฮัพระตูเมืองแต่ใส่เอาขะแจไว้หอใจ การจะไขดินยากตูนี่หากตันพะญาใจอนาถานอยากไรก็รู้ควาได้ตามไรว่ากูเตียงตายมวยหมดบอาจรอดนานไปเนี่ยสันได้ีีเหล่าใจไม่เอามาวินจจิงสัตว์ก่อนดินขึ้นไว้บนผาตูใหญ่ป่าร้าเอาบุพพาดอกซอยไปกองหอยไปบน ร้องสาำหนมีกองดังไข่หองอาณาวาดุราเจ้าปาระเฮยมวลหมูจุงพำรู้ตามธรรมว่าข้าไดกะตําเมียนไข่ตามเต้าไทยปงปันเจ้าหอจันไข่ค้าหฮือขาความนามว่ำวายพิษลวง้ลยแบบเป่ารอยริดเก่ากองดี กันไขว่าตีสุดซอยก็คืดคาค่อยในใจว่าเราจักไปลีซ่อนอยู่ในบ่นได้จา้าพิจารณาขึ้นลองก็หันจ้องอุบายว่าพี่คู่ตั้งลายนีใสเตียนย่อมไฟพานีกวรเราหนีไปซ่อนอยู่ในบ่นวิหาร นอนสำร้านถึงรุ่งกันตาวันปุ่งเรื่องไรก็เอกไก่นี่กว่าเอาไปนะเป็นไม้อิเมนามะสัตตาจือวาสัตตั้งไลนี่เล่าย้ำ ม, มังเต้าใจบ้านอยู่สำร้าญเจนจ้จอยบ่ตำก้อยมองขีบอหูว่าตุภามีอยู่ไกล้ กัญยมอยากไรเก่องกาจริงปิจาราณาขวาดรู้ไขไปสู่วิหารใจคนผ่านนั้นเล่าร่อนไม่เอาเหลือใจ <c oughs> ว่าบอบีไผยแต่ใส่จักปึงใดดังหมยก็อผ่านภายเตียวต้องเข้าสู่ห้องวิหารนอนสำราญยังจอด เออหิวหอดไห้หล่นส่วนว่าตนแห่งเต้าฟูภาพดาวธานีเสียงร้อยทีนั่นใสรับบอดใดดังใจ <c oughs> ย้อนคานิ่งในเกิดรอดถึงนางยอดโซฟากามาตันหาบุรอนบังเกิดคอนหอราไทยก่อคานิ่งในลืมเรา ว่าวันผูกเจ้ายามง่ายจะคือขาดใจขี้ไรเอาเมียไว้เตรียมคิงแลนาอาสบิงคาเนีนวาในคาน า, า น, น่น ใ, ในนรกใหญ่โลหะกุ่มพีน้ำตองแดงมีบ่อเหือด ป, ปุ่งเดือดสะสน กวางผัดมนนั่นโสดหกสิบยดเป็นธาราลึกนันนาดูลากหกสิบยดหากเป็นไม้สัตว์นรกไหลเดือแหล่ลอยขึ้นแผ่สาสนพองพดมาบนปากหมอมอกได้พอหันกันแล้วเรียวปั้นบอดจ่าจมลงกว่าหายตา โอ้ป่ามานั่นเหล่าดังต้มเขาดีดีนำเดือดดีหลยแหล่เข้าลอยแพลสะสนพองพดมาบนปากห ม, ม้อแล้วจมต่อหายตาแล้วพดมาแถมเหล่าไข่ตีเก่าหลายหนมีใจสีคนหนุ่มเน่าเป็นสหายเก่าจอมกันกันดับขันก้าวา่าตายละจากเมืองคน กอตอนไปใหม่ในนรกใหญ่โลหกุ้มพี่เป็นตุกีบ่อเหือร้อนไม่เดือด ร, ร้อนตกจากบนรดปืนเมือนสามมืนวซา <c oughs> ลอยขึ้นมารอดปากสามมืนปีหากเป็นไม้สีสหายนั่นใสพดขึ้นใดบัดเดียวยกหัวเหลวแลพ่อ บินลาลอหากันจุ่มเข่ามันตั้งสี่ไข่เกาวกี้กาถากอบ่าอาจาเสียงขาดร้อนไม่มาดเป็นเปียวเ่าแต่อัคคระตัวเดียวข้างไวแล้วจมลงไตโลหะกุมพีฝ่ายเจ้าปุรียศใหญ่ลับบ่อใดดั้งใจย้อนข้านิงในกอตรอดถึงนางยอดขิงงาม ถึงมัชจีมาดย้ำมาไขาเต้าก็ได้ยินเสียงสัตตะสำเนียงดูหลากฟังแล้วหากเพิงกลัวปอนั่งหัวเย้าเหยือกใจความเขือกเวว้นกันแจงมารุงเจ้าก็เรียกปูเท่าโหราจาย์ผู้จะนา่นจ้าไข่มานังไก้จะทำว่าในมัดจีมาดย้ำดวงแล้วคนยังแอวตั้งเวียง เราได้ยินเสียงดูหลากฟังแล้วหากปล้งยกลัวย้อนว่าตัวเราไทยบอกเคยได้ฟังมาพิจารณาขึ้นล่องบอแจ้งส่งหันไส่ว่าจากมีไฟมาตองด้แห่งห้องปุรีแกมาเฮซียดเย้าหรือแกเต้าตัวเราตำปินเต้าแต่ไทยใครบอกไว้สันได จุงปิจาราไปฮือทีแล้วเกาจี้ใครมาหมอโหระูเทากกอมเกาอันจุลีว่าเสียงบอดีร้อนไหมตามเตาาไทยฟังมาว่าสันได้จ้าขออู้ฮือขารูตามี เจ้าปุริบอกเราแกหมอเทาโหราวาตุสะนัโสดังนี้เราได้ยินทีสัตว์จังคือได้ฟังมันแก่นจอมติดแน่นในใจตั้นจุงไข่เก่าแก่หื้อแจงแน่ขีนยาหมอโหราฟังแล้วบอกกาดแกอสงสัยดังเข้าไปในธรรม พอจูก่กรรมตันตาจากทูลสาบอกเล่าว่าบ่อรู้เก้าแหล่ายก็กาลัวลับหายตกถอยจริงเก่าถอยจังไรว่าเจ้าหอใจที่ราชก้อยกาดดับคันบ่อลำเจ็ดวันเป็นแก่นหากปีแม่นดีลีเจ้าปุรียอดเย้าฟังคำเก่ามอต้าย ซ้ำกวัวตายลายแลจรก่าวแกกําไปว่าเยสันใดนั่นใสบ่อหือใดบอมาบมีอุบายสังแก่ตามริเตโบราณโหราจารย์ผู้เทากอกลมเก่าวันตาวะาานี่นาแจงเจ็ด รัวเจ้าเป็ดสามภาการกันเต้าผู้บ้านเจ้าจ้างตกแต่งห้างปู่ชาด้วยเสืองนานะาบ่อน่อยอย่างละร้อยเป็นไม้คือจ้างฟังป้ายมามิ่งงวัวปูนิ่งตัวฟีงวัวแม่ดีตัวใหญ่แปะแกะไก่และหมูจัดนับดูทีทอย อย่างละร้อยเป็นหมายตั้งเด็กใจก่อร้อยเด็กยิงบ่อน้อยเสมอกันนำไปปั้นยาจ้าแล้วรีบข้าปู่จ้าเจ้าปารายด์ใหญ่จริงจักใดสัตวดีอุบาตนีหายขาดบอกก้อยกาดเมื่อมนตาวผู้ทอนหยดเหย้าฟังหมอกาวจกไคร ข่านิงในดันสอดว่าเราได้รอดตั้งตายเป็นลาปลายแต่ใสจักอยู่ใดนานไปกันข่านิงในเมียนแล้วก็ฮือผัวแก้วโยธาห <c oughs> ยับสัตนาณาใหญ่น้อยอย่างลาร้อยเป็นหมายตั้งเด็กยิงใจไพราร้อยบอกขาดเป็นธารก็มีวันนั้นแน่นา เนทีตั้งขีญาสังวันณานาเก้าเหตยังหัวใจเพศผูกเก้าปางเต่าเจ้าปุรีหมอต้ายว่ามีขาอใหญ่จริงหืยยับสัตว์ไว้เดือดลายตั้งเด็กจริงใจทวนนาเปื่อจักขาปูจา จักสมภาธาฝนะ่ายหอยเรือกาดก้อยสันไดจุงอดใจฟังแทงจักรู้แจ้งไยลุนก่อบังคมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล